พรว่าดาย่โยนหลฟังคําแนะนโดยการจเจริญพุทธธรรมาฐานสักคู่หนึ่งขณะที่ฟังญาณโ ย, ยไม่ต้องพนมมือนะจ๊ะเอามือลงโยนถึงจะเมื่อยก็นานการเจริญพุทธธรรมฐานเป็นกางยันเป็นการแนะนำด้านข้อสัญญาแต่ว่าวิธีการแนะนํำด้านข้อสัญญา มีเวลาเล็กน้อยในตอนต้นจะขอแนะนำกรรมฐานอนุสติก่อนคำว่าอนุสติส่วนใหญ่นักปฏิบัติทำเมินไม่ปกติแล้วก็เป็นบทโคสุกัลบัตสุโกทำง่ายทำง่ายด้วยได้บุญมากด้วยมีฌานสมาบัติก็ได้ไปนิพันก็ได้ คำว่านุสติประวัตามนึกถึงอย่างที่บรรดา ญ, ญาโยมก็จะริษัดถวายสงรทานเมื่อจะสู่นี้ขณะที่ถวายสงรทานท่านเรียกว่าทานบารมีเป็นบารมีบารมีหนึ่งในบารมีสิบคำว่าทานบารมีจากสงรทานนี้มีอานิสงส์มาก ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนที่ไดหวยสังฆทานแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตในเมื่อตายจากความเป็นคนจะไปเกิดเป็นคนที่จิตชตากาตามจะเป็นคนที่มีความร่ำรวยมากจะบอกว่าดินแดนแห่งใดที่เต็มไปด้วยความยากจนเห็นใจ มีความระบากในความเป็นอยู่ท่านมิได้ไหว้สงฆทานแล้วไม่เกิดที่นั่นในสถานที่ใดที่มีความเป็นอยู่เป็นสุขมีทรัพย์สินมากคนมีได้ไหว้สงฆทานและจะเกิดที่นั่นนี้ถ้าตึกตายจากความมนคนเป็นเทวดาเป็นนา้าก็จะมีอริสงพิเศ ษ, ษ ว่าการถวายสมณพิธีขอบรรดาทา่านพุทธบริจัทมีของหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จัดเป็นสประิเศษคือหนึ่งอาหารแล่นน้าในโต๊ที่ท่านถวายมีอาหารแหง้งอาหารแห้งนี้จะเป็นเหตุให้ได้ร่างกายเป็นพิษจะไม่เกิดเดป็นเรวดาเป็นนางฟ้าก็ตามจะมีร่างกายเป็นพิษ น้ำขวดหนึ่งจะเป็นเหตุให้ได้สาบุพระมีเครื่องผ้าผ้าเหลืองที่ถวายจะเป็นเหตุให้ได้เครื่องแต่งกายเป็นพิธแล้วก็จระพุทธรูปที่ถวายจะเป็นเหตุให้เป็นเนวดาดาดนางฟ้าที่มีสมีกายสว่างมากเพราะว่าเจ้ดาก็ดีนางฟ้าก็ดีกรมก็ดี นอกจากจะมีเครื่องประดับเป็นทิพย์สวยแล้วเขาถือร่างกายแสงสว่างร่างกายเป็นสําคัญองค์ไหนมีแสงสว่างร่างกายมากองนั้นถือมีบุญมากตัวอย่างมารดาของพระสารีบุตรตัวามารดาของพระสารีบุตรมาร้อยชาติที่ผ่านมาไม่ใช่มารดาชาติตุศวรรษ มารดาสาษีบุทคนนั้นไม่ใช่นักบุญที่าอขาดเมตตาบารมีตายจากความในคนแล้ไปเกิดเป็นเปรตในแดนขงเปรตมาสมัยนี้บรรหนึ่งฤาษีบรลงไปแดนในรกแล้วก็เดินขึ้นมาบรรแดนเปรตแต่ควารยินท่านหลวงรู้ก็เห็นเปรตผู้หญิงคนหนึ่ง จะพยายารับทวกการพนาอยู่ท่านเดิน เ, เข้าไปรใกล้แล้วก็หยุดยืนหญิงเปลืคนนั้นมองหน้าพระสาลีบุตรแล้วก็ถามว่าท่านจําฉันได้ไหมพระสาลีบุตรคนจริงท่านรู้แต่พระนี่รู้ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้พระสาลีบุตรก็ถามว่าเธอกับฉันรู้จักกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ หิงเปรตคนนั้นกะบอกว่าในร้อยชาติที่ผ่านมาเคยถอยหลังไปร้อยชาติชาตินั้นฉันเป็นมัมดาของท่านแต่ว่าฉันเป็นคนใจร้ายขาดเมตตาบารมีขาดความรักขาดความของสารต่อสัตว์และกับคนอื่นเพราะแบบข้าเป็นคนใจบุญฉันตายจากชาตินั้นบา ม, มาเป็นเปรตรับรับทุกขเวทนาอยู่นี่ ท่านไปเกิดหมวยอแล้วร้อยชาติชาตินี้ท่านเป็นพระหันไปถามที่ดุจเถาว่าจะให้ฉันช่วยอะไรเิดผู้เป็นมารดาก็บอกว่าถ้าท่านจะช่วยฉัน mm hmm. เมื่อท่านขึ้นไปแล้ววันพรุ่งนี้ mm hmm. ถาวายทานจะไปสคงสาวรุ่งใหรสนัโคดมเจ้าที่ส่งเหรนให้ฉันฉันจะมีความสุข ไอสารีบทัวรับคำตอนเช้าก็าไปบิณฑบาตกลับมาก็านสารีบท่านมีลูกน้องลูกกศิษย์เปห้าร้อยองค์เวลาฉันข้าวท่านก็ฉันแยกแก่ลูกศิษย์เพราะผู้ใหญ่ฉันร่วมกับลูกิษย์แต่ลูกศิษย์ฉันไม่เป็นลงก่อนที่พระจะฉันท่านเอาข้าวหยิบมือหนึ่งท่านอยู่ใยตาเอาใบไม้มาใบหนึ่งแล้วหยิบข้าวมาหยิบมือหนึ่งใส่ใบไม้ แล้วก็ส่งให้พระเอากับข้าวมิตรหนึ่งใส่ใบไม้แล้วก็ส่งให้พระแล้วก็เอาผ้ากว้างคืบยาวพืบส่งให้พระได้ว่าใช้น้ำหนึ่งพระบาทส่งให้พระหลังจากนั้นคนที่ส่งของเสร็จแก่มันดาสิ่ินเพลงด้วยฉันพระตาหาเสร็จท่าวัดเชา้าสดมนเสร็จท่านจะไปควรพระอนนธ์พระอนุรุษ โดนทด่การสี่องค์เกนไพ่สามองค์ม่ช่วยจะสร้างพระลาคือะทำให้ขลาสีสาวอะเป็นเพิงหมาเหงนปักกับพื้นดินเอากิ่งไม้มาตักเข้าสีกิ่งอะไม้ผ้าจะใบไม้มงุงถว า, ายเป็นของสงฆ์และก็อุทิศให้แก่บรรดาของท่านพอถึงเวลากลรเขือนเวลาทํำอย่างนั้นพระโมคลาร่วมด้วยพระโมคลาก็าอนุพระอนุรุต ในเมื่อสึงเวลากลางคืนพระบุคลากาลังเจริงกรรมฐ า, านอยู่ยังไม่ไปไหนตามธรรมดาพระบุคลาทำกรรมฐานแต่เดียวๆเท่านัไปสวรรค์บ้างไปลกบ้างเวลานั้นกับราคนนี้นาฟ้าคนหนึ่งมีรูปร่างหน้าตาสวยมากขึ้นมาดกาดาก็สวยและแสงสว่างก็มากมาพร้อมกับี่มา แล้วก็มีสาปวกเพือนมีด้วยพระโมกคลลาหเห็นเข้าว่ามีความรู้สึกในใจว่านางฟ้าคนนี้เราไม่เคยรู้จักเลยส่วนใหญ่จะไปเทวดาก็าตามนางฟ้าก็าตามผม ก, กว็าตาม พ, พระโมกคลลารู้จักหมดก็เที่ยวสวรรค์เที่ยวแดนคนทุกคืนให้เราถามว่าพระสินี้ดูก่อนน้องหญิงเธอเป็นใครมาจะไหนเป็นนางฟ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ ดังกาวพระรัตอว่าฉันคือมารดาเขางปรษสายบุตรที่พันเท่าสี่องค์สร้างวิหารฐานคือเพื่อนหมางเหงนถวายพระสงฆ์กกคนหลังแล้วก็ตอนเช้านี่เป็นสาบุตรถวายอาหารเจพระคือข้าวหยิบมือหนึ่งใส่ใบไม้แล้วก็กลับนิดหนึ่งใส่ใบไม้ส่งให้พระถวายพระ ข้าหยิบเมหนึ่งกัดสิ้นหนึ่งที่จะไหวพระอาหารนี้เป็นปัจจัยเช่นได้ร่างกายเป็นทิพย์ที่เราสาธิบุตรถวายผ้าจะได้สงค์ผ้าจ้างคืบยาวคืบถวายจะประสงค์อันนี้เป็นเหตุเป็นเช่นได้เครื่องประดับเป็นทิพแล้วก็ี่เราสาธิบุตรถวายนาคเนี่พระหนึ่งสาบานอันนี้เป็นเหตุเป็นเนได้สาบบุตรนีที่ตามมา และการที่พระคุณเจ้าทั้งสี่สร้างเพลิงหมาหงมคนลาหลัโองลาหลั ง, เ, ลล ง, ง, ลลงเป็นสีหลังถาวายแก่พระสงฆ์เป็นเหตุแห่งได้บานนั่เป็นท <c oughs> ี่ไนิรันดรายาดโยผพุทธบริษัทธ์กายถวายสารพัดให้ญาติโยมวันนี้เสียเมียในสงศ์ใหญ่แต่หากว่าบังเอิญญาติโยมพู้ตบริษัทคิดจะเยืเกนกรรมาฐาน ถ้าอยู่ที่บ้านของท่านไม่มีโอกาสจะนั่งเจริญภาวนาว่าทั้งนี้ทุกคนรบมีงานมีความเหนื่เหนื่อยก็ให้เจริญกรรมฐานในกองคอนอุสติคําว่าอุสติแปลว่าตามนึกถึงให้นึกถึงภาพที่ญาติโยมถวายสังฆทานว่าการถวายสังฆทานคราวนี้มีอะไรบ้างวันจริงวันสงสังฆทานเนี่ยมันจะมีวันเดียวนะ โยมถวายข่านี้เพระว่าติดตัวโยมมันเป็นกว่าจะตายตายไปแลป้วไปเกิดอีกชาติอริสงสังาทานนี้ก็ตามไปตอนนี้ถ้าญาติโยมตามนึกถึงเพระสังฆทานที่ถวายว่ามีอะไรบ้างหนึ่งมีพระพุทธรูปถ้าหาท่านนึกถึงพระพุทธรูปที่ถวายรูปสังฆทานก็จัดเป็นกรรมถานกองหนึ่งที่เรียกว่าพุท ธ, ธานุปกตินึกถึงพระพุทธเจ้า ถ้านึกถึงของที่จะไหวายจะหมดเป็นสาระฐานเป็นสาระประชาการลึกถึงการให้เป็นสาระฐานนึกถึงทานที่เราจะให้เป็นจาก า, านุสติสบาลฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวก็มีอนิสงส์มากมหาศาลทั้ว่าท่านนึกถึงอะไรไม่ออกนึกถึงพระพุทธรูปที่เป็นเคยื่องหวาสาระฐาน แล้วก็ น, นึกถึงภาพสังขท า, านด้วยวันหนึ่งจะนึกถึงกดสองสมามนาทีก็พอถ้าไม่มีเวลามากใ้้เวลามุกเวลาไหนก็เวลาที่ญาติโยมก่อนจะหลับแต่ก่อนที่ญาติโยมจะหลับศีรษะถึงหมอนก่อนจะหลับก็จิตใจนึกถึงพระพุทธรูปนึกถึงพระพุทธเจ้าถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ไหวก็นึกถึงพระพุทธรูป องไหนองค์ที่ท่านถวายสังฆทานก็ได้คือว่าพระพุธโลกองคใดองหนึ่งก็ได้ตามที่จิตใจเส้นจับอยู่มานึกถึงพระพุทธโรกแล้วก็ตั้งใจภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธไายใจออกนวพทโธตั้งใจนึกถึงภาคระอย่างนี้ แล้วตั้งใจภาวนาอย่างนี้ใจะใช้เวลามากถ้าเวลาน้อยนั่มายถึงกัถ้าเอนเหนื่อยมากๆภาวนาแค่สองสามรอบหลับก็ไม่เป็นไรถ้าเวลาภาวนาไปถ้าจะหลับตอยให้หลับไปเลยจะยั่งยืนก <c oughs> ว่าเพราะการนอนภาวนาบรรดาท่านบริวรสัตว์ตจิตจะรวมตัวเร็วเมื่อจิตรวมตัวมาเป็นสมาธิเร็ว ถ้าจิตเข้าถึงฌานจะตักหลัก ท, ทันทีถ้ากําลังจิตกําลังเขาสมาธิคนจิตไม่สงบถึงฌานจิตจะไม่หลับฉะนั้นเมื่อขณะที่ภาวนาเน้นงภาพรตปรูปประการเน้นถึงภาพสังเวยฐายเราตามถ้าจะหลับอยายังตัวปล่อยให้หลับไปเพราะตามบาลีถือว่าท่านภาวนาจนหลับขณะที่หลับเป็นฌาน ถ้าหลับกี่ชั่วโมงสมมติหลับสองชั่วโมง ส, ส, สามชโมงก็ตามขนาดที่หลับนั้นก็ถือว่าทรงฌารต่อเวลาถ้าบ่เอิญท่านตายเวลาหลับท่านาจะไปไปกําลังขง้งฌานทันทีเวลานั้นท่าสมาธิของท่านเป็นฌานตายจากขณนั้นก็ไปด้วยพรถ้าบ่เอิญสมาธิของท่านเป็นอุปจารสมาธิ ก็สามารถเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้ตอนนี้ก็จะมาพูดถึงอนุภาพของการนึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อวานนี้วันเสาร์ก็กล่าวแค่เพียงปค่ทุกคนคนคณะนะแต่น้นว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้ามีอานิสงส์มากอย่างที่บรรดาญาติโยมพุทธิวยสัทต์ทั้งหลายอาจจะคิดว่าเราเป็นคนมีบา ชาตินี้อาจจะไปสวรรค์ไม่ได้อาจจะไปพุทธมรรคไม่ได้อาจจะไปนิพพานไม่ได้ความจริงก็ไม่ใช่เพราะคนทุกคนมีบาปด้วยกันทุกคนเทวดาก็ดีนาวฟ้าก็ดีสนทรก็ดีที่กันไปสวรรค์ได้ไม่ใช่เป็นคนหมดบาปเป็นคนมีบาปอยู่แล้วทั้งหมดบางคนต่างมีบาปแต่ต้องว่าก่อนที่ท่านจะตายจิตใจท่านหล็กบาป ในก็หมายความว่าตามที่พระเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตะสังิีเถ ท, ทุกติปาริทังขาแต่มาที่ก่อนจะตายถ้าจิตใจของเราเศ้าหมองนึกถึูบาปความจริงในชาตินั้นหรือว่าจะทำบุญมากขนาดไหนก็ตามถ้าเวลาจะตายจิตนรกถึงบาปก็จะต้องไปนรกก่อน ก็ทักกลาว่าจิตใจบริสุทธิ์คือสุขีปัดเงินขายถ้าก่อนจะตายจิตใจบริสุทธิ์นึกถึงบุญกุศลก่อนเมื่อตายจากความเป็นคนที่ไม่ลาดนั้นจะมีบาปขนาดไหนก็าตายมันไม่สามารถบาปไม่สามารถดึงโดนรกได้ก็พาไปสบายก่อนก็ตัวอย่างของท่านที่นึกถึงพระพุทเจ้าเอากรนิษแบบเบา อย่างบรรดาญาโชนบริวรสัททุกคนเนยเคารพพระพุทธเจ้าเคารพประธรรมเคารพพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจอย่างนี้เป็นคนที่มีบุญมากถึงแม้จะมีบาตุบ้างก็เป็นของธรรมดาถ้าใครมีความเคารพในพระไสรปิฎกอย่างนี้หลีกบาปได้ง่ายไปสวรรค์ง่ายอยจะยกตัวอย่างของบุคคลที่ไเคยเคารพพระพุทธเจ้ามาในครั้งก่อน แต่ว่าพอก่อนจะตายเขาตึกถึงพระพุทธเจ้าเขาไปสวรรค์ได้คนบุคคลผู้ น, นี้มีนามว่ามัตเตยุตเดลีเทเบบุตรเรื่องนี้ฟังง่ายท่านมัตเตยุตรลีเทยบบุตรนี่เวลาเป็นคนไม่เคารพในพระพุทธเจ้าพ่อเป็นอาจารย์เขาครามก็มีก็เขามีฐ า, านะเป็นครูบาอาจารย์ ก็ไปอาจารย์คณะหนึ่งเให้พระพุทธเจ้าตั้งตนเป็นอาจารย์สอนในคณะต่อมาเป็นรุ่นหลังเขาก็ไม่เคารพตัวความบ้านนี้ทังบ้านไม่เคารพพระพุทธศาสนาบาตก็ไม่เคยใส่มือก็ไม่เคยยกมือไหว้ที่กไม่เคยฟังก็เขาไม่เคารพต่อมาวัดตะคุณารีที่ระบุต่อจะตายป่วยตาย มีความรู้สึกว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีทรัพย์สินที่เป็นมหาเศรษฐีก็ดีไม่สามารถจะช่วยชีวิตเราได้เวลานี้เราจะตายก็นึกในใจว่าเขนเลรู้ว่าพระสัณมาสมพใจดีมีเมตตาไม่ว่าใครใครมีทุกข์ไปท่า น, นจะช่วย เขาก็นึกในใจว่าเวลานี้ขอพ ร, ระสวัสดิ์ขรรมจะไม่ช่วยพระเจ้าหายจากโรคเพียงเขานึกถึงที่พระพุทธเจ้าขณะที่ป่วยขณะนึกอยู่อย่างนั้นเองเขก็เองตายเมื่อตายจากาเปคนเพราะอานใดสงที่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าอันนี้อย่าลไม่จจมนญาติโยมนะว่าคนคนนี้เทพเจวดาองค์นี้มีอนันใดสงสู้ญาติโยมไม่ได้ ญาติโยมได้เคารพพระพุทธเจ้ามานานยกมือไหว้มานานถวายทานกัพระพุทธเจ้าประสมมานานฟังเทศมานานทุกคนทามาแล้วแต่แว่คนนี้เขาไม่เคยทาเลยแล้วก็ไม่เคยนึกถือว่าจะเคารพด้วยเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกมีวิปานพองคาเป็นที่อยู่ มีนาฟ้าห้ากันบริวารขนาด น, นั้นพ่อของเขามีลูกคนเดียวเมื่อลูกตายไปแล้วก็คิดถึงลูกอยากจะลูกมาเกิดใหม่เวลาเช้าก็ไปที่หลุมฝังศพของลูกไปยืนร้องไห้ภาวนาคอยลูกกลับมาเกิดใหม่ม่ได้คุณลี เ, เื่อบุตรไม่ชมส ม, มบัติทึ้งตัวว่ามีความสุขหมึ่งไม่มีมานทองคา สอามีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารสามตัวเองก็เป็นตรดามีเครื่องประดับอันเป็นทิพย์สวยสดก็งามมากมีความสุขก็นึกว่าเรามีความสุขเพราะอะไรก็เกิดความรู้สึกว่าความสุขที่ดีขึ้นมาได้เพราะอาศัยเรานึกถึงพระสรมมาสัมก่อนจะตายเท่านั้นเองตอนก่อนอหน้านั้นเราไม่เคยประทับในท่าน เราไม่เคยยกมือไหว้ท่านเราไม่เคยใส่บาตรเทิดทันเราไม่เคยฟังเทศน์ของท่านทั้งนี้เพราะพ่อเป็นมิจฉาทิฐิไปสอนให้เราเป็นมิจฉาทิฐิไปด้วยเวลานี้เรารู้สิทตัวแล้วว่าบุญนิดหน่อยก็คือการที่เขาบำบุญที่ยอมรับรับถือเขาสมณศรี น, าานมเล็กน้อยขอท่านช่วยเป็นเหตุจะได้บเบิกสวรรค์เค่เราดึงเสพบโลกมีมาอยู่ ถ้าหากว่าเรามีความเคารพในองค์พุทเจ้าพระมังเคยยกมือไหว้ด้วยความเคารพเคยใส่หมาดเคยฟังเทศจะมีอะไรสงดีกว่านี้เมื่อหันไปดูพ่อพี่ร้องไห้ก็ตั้งใจจะมาทรมานพ่อคือบอกพ่อบอกให้มีความเข้าใจว่าต่อีไปต้องเคารพพระสมณะโคดมเธอก็ยังแปลงตัวเหมือนคนเก่าเก่าคนเก่าลงมา เยืนร้องไห้ข้างพ่อก็ขอเล่าลันลั่ว่าต่ว่าพ่อก็ถามว่าเ ธ, เธอต้องการอะไรเธอก็บอกว่าเธอมีรถทองคำอยู่คันหนึ่งสวยมากแต่ยายเพงต้องการเรามีลอ่อแต่หาล่อไม่ได้ทั้งเศรษฐีก็มีความรู้สึกว่าคนนี้เหมือนลูกชายของเรา ถ้าเราได้ไว้เป็นลูกจะดีใจมากคืนถาว่าเธอต้องการล้ออะไรต้องการลอ้อทองคำนัน้นล้อแก่วมนนี้จะหาให้พระเดชกุลรีเทียบก็บอกว่าฉันต้องการดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทำไมไปรอรถขนสัน่นท่านมหาอภิสิทธิก็ตามว่าหาบุตรบ้ า, า, อาขอเล่าระมัดเวลา น, น้อยต่อมาเธอก็บอกว่าผมต้องการสิ่งที่ผมมองเห็น กับลุงต้องการลูกที่ตายไปแล้วมายุอยู่ไหนใครบ้ า, ไรไบาหรันหลังจากนั้นเดงก็แสดงตัวคนที่ตายมัตรกุตลีก็คือผมเวลานี้ผมไม่เค ว, ว่ดาวบนสวรรค์เดาดึงสถิวโลกมีวิมานทองคำในที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเบริวยัยพ่อก็ถามว่าเธอไปได้เพราะอะไรเธอก็ตอบว่าไปได้เพราะนึกถึงพระสมมะโคดมให้ช่วยก็เป็นนั้นว่า ท่านก็แนะนำว่าหลังจากมี้ไปพ่อจะต้องไปตั้วใการพันมนาโคดกฟังเทศของท่านใส่บายรขอท่านในที่สุดพ่อก็ไปหาพุทธเจ้าขอเล่ารับกษาไปเลยพุกยางหมดไปถามพุทธเจ้าว่าพระัมนาโคนดนคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่านไม่เคยฟังเทศไม่เคยใส่บาตให้ท่าน นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้วก็เกิดบนสวรรค์มีไหมพระพุทธเจ้าบอกคนที่ไม่นึกไม่เคยไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศนึกถึงชื่อกถาคตอย่างเดียวไปสวรรค์นับเป็นนับเป็นโทษแล้วก็ทรงเรียกพระโกฏารีมาให้แสดงตัวให้แพ้ เมื่อพระตจ้าปุถุชนีเข้าวิมานมาแล้วก็ลงมาไหว้พระเจ้าพระเจ้าเทศก็บรรงไปเป็นโสดาบันคนที่ฟังฟังเป็นโสดาบันกันด้วยนี่บรรดาญาโยมทุกท่านถ้ายาโยมนึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าไม่ถึงพระเจ้าไม่ออกลูกตาหน้าตาเปยังไงก็นึกถึงพระพุทธรูปที่เขาถวายทัานถ่านหรือว่านึกถึงพระรูปองค์ใดอหนึ่งก่อนจะหลับก่อนหลับนึกถึงนึกหนึ่งสองสามนาทีก็ได้ เตื่นใหม่ๆเตื่นแล้วยังไม่ต้องลุกเวลาหนานึกถึงก็หลันอนนึกถึงทุดหน่อยเนึ่ยแค่สองสามนาทีก็พอทำอย่างนี้จิตคนยาโยมจะชินกำลังสมาธิเล็กน้อยที่ทำจะรวมตัวกันทุกวันต่อไปจะเป็นจังาเะชานเวลาจะตายก็จะภากรากรู้แล้วภากรุ้ยาจะปรากให้เทิดเห็น ตะไเวลานั้นถ้่าบาปอะไรพ้นมีอยู่ไม่สามารถจะดึงท่านลงอบายาคุณได้บาปเท่าไรได้พระบุญเข้าแล้วทุกคนอย่ากมาก็จะไปสวรรค์ได้เนี่พูดกับมาทั้งเรื่องบุญทั่วไปนะ่ตอนนี้ไปเรอยนลายห้านาทีก็อย่าขอดีบายกับมาทานเรื่องมโนวยิธิคำว่ามโนวยิธิแปลว่ามีริษฐานใจ นิพพานใจที่ทำได้คือใช้ใจเห็นผีก็ได้เห็นที่วิตได้ก็ดาเห็นเทลุกก็ดาเห็นสวรรค์ก็ได้ถึงคนตายที่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนมีความสุขความทุกข์ยังไงก็ดาถ้าเราตั้งใจจะช่วยเขาว่าถานเขาว่าทำบุญอะไรอย่างนี้ก็ได้ยระลึกใช้ก็ดายรู้ใจคนอื่นก็ได้ ต้องการรู้เรื่องราวต่างๆที entes, Speaker, ่ผ่านมาในในกาลก่อนก็ได้รู้เรื่องราวต่อไปข้างหน้าก็ได้ยานี้เป็นต้นแล้วการู้เหตุส่วความสุขความทุกข์เรามีความสุขแล้วมีความทุกข์เราต้องการรู้เหตุว่าเพราะบุญอะไรกําไรยังไม่รู้ได้ไปสวรรค์ได้ไปพมทธโลกได้วิธีปฏิบัติอันดับแรกก็เหมือนกันหมดญาติโยมรับประทานทุกองทุกกองขึ้นบนนั้นกันหมด คือรู้ลงให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้าอวนาตามันมะมะนึกในใจเนี่ยไม่ก็เสียเสียงให้ใจเข้านึกว่ามะมะให้ใจออกด้วยพระพระแต่ขณะดที่รู้ลงให้ใจเข้าไม่ขอปล่อยลงให้ใจไปตามสบายอย่าบังคับให้หนักหรือเบามันจะไม่ได้ร่างกายใจใจขนาดไหนก็ปล่อยไป ครูจะให้ญาติโยมภาวนาประมาณสิบนาทีแต่ในชว่วงสิบนาทีนี้อาจจะเผลอไปบ้างอะไรบ้างก็ไปของทร้วันดาถ้าเผลอไปก็ขึ้นต้นใหม่หลังจากนั้นเมื่อเวลาสิบนาทีผ่านไปก็จะมีคนเข้าไปนั่งกลางวงแค่นั้นเบื่อทราบว่าเขาจะสอนเราตอนนั้นเขาญาตโยมทัท้งหมดเลิกภาวนาทันทีไม่ต้องภาวนา แล้วก็ไม่ต้องสนใจอารมณ์ใจเขออกคือเขาจะเน้มนมำในด้านธรรมะในการจิตเลยตอนนั้นเขาจิตน้อมตามไปตามเสียงของเขาขณะที่ตั้งใจฟังอยู่เวลานั้นจิตจะว่างจากลี่ยเมื่อจิตว่างจากเกลี่ยอารมณ์ก็เป็นทิพตอนนี้คํญญาว่าทิพญานิยาโยน์จะเป็นได้ ต้องได้พิุยาอันก่อนคําว่าพิสุญญานี้ไม่ใช่หลุดตาเบนทิศให้หลุดตาเบนทิศก็เรียกทิพย์กันได้ทิสุญญานี้หมายถึงความรู้สึกทางใจก็ยามไปว่ารู้ยามแปลว่าเห็นคําว่าทิสุญาณแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้าตาจิตก็อาศัยความรู้สึกทางใจเหื่องกันถ้าจิตสะอาดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกจิตไม่เห็นภาพ ถจิตสะอาดปลางกลางจิตมีความรู้สึกว่าจิตเห็นภาพสมัยชาญจนนักถ้าจิตสะอาดที่สุดสงฆมากจิตมีความรู้สึกว่าจิตเห็นภาพชัดเจนต์แจ่มใสมากอันนี้ก็อยู่กับญาติโยมเองคูมีหน้าที่แนะนาอย่างเดียวอาครูเห็นว่าความทิ่เริ่มเกิดขึ้นถามว่ามีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่บนหน้าบัง ให้เชื่อความรู้สึกก็นแรถ้ามีก็ตองมีพันธีอย่ายั้งตัวถ้าไม่มีก็ตอบว่าไม่มีถ้าถามว่าท่านไปอยู่ก็นหน้าเป็นผู้หญิงหรือชายก็เชื่อความรู้สึกตอบตามความรู้สึกทั้งแรกอย่าสงสัยไม่ผิดแล้วถ้ถามว่าท่านอยู่ก็นหน้าเป็นผู้หญิงหรือผชายหรือแต่งตัวเสืยอะไรก็ตอบตามนั้นหลังจากนั้นครูจะแนะนําในการตัดกิเลสเพื่อวางสายโธติอีกขั้งหนึ่ง แต่แล้วเนี่นนยน้ไประพฤติุลาวโมีสีเดียร์ท่านท่านจาพพะพบพุศลเจ้าพระอ า, ารีย์ทรงสมเด็วด า, ามากมายหลังจากนั้นก็จะพาไปพิพาแ น, นะนำไปปฏิพาณสำหรับผู้ทักซ้อมครูก็จะแนะนำให้ไปคือพบต่างๆไปสวรรค์ด้วยไปนิพพานด้วยไปพุทธโลกด้วยแดนโลกเวสือกายนตัตสุดท้ายแต่ก็มันาการช่างตัวของท่าน ถ้าต่อนนื้อไปเว้นายาญาติโยมทั้งหลายอันหน้าไปทำพุตรูปตั้งใจธมามทานสิงธรรม า, รา น, นกรรมฐาน